บทนี้จกแสดงธรรมะเพ <c oughs> ื่อเป็นอุปการะ <c oughs> แก่การปฏิบัติกรรมฐานของท่านสาธุชนทั้งหลายสืบต่อไปปัญหาในข้อต่อไปนั้นท่านพัทราวุธมานพซึ่งเป็นสิทธิ์ของท่านพราหมณ์าวรีอีกคนหนึ่งได้กราบทูลถามพระผู้มีพระภาคเจ้า เริ่มต้นด้วยการแสดงความยอมรับนับถือสถานะของพระพุทธเจ้าเป็นใจความว่าท่านมาควาพระผู้มีพระภาคเจา้าผู้ทรงไม่มีความอาลัยละตัณหาได้หมดสิ้นแล้วเป็นผู้ไม่หวั่นไหวในอารมณ์ทั้งหลายทรงข้ามโอคะได้แล้วเป็นผู้คงที่มีปัญญา คนทั้งหลายมาฟ้าพระองค์เพื่อต้องการจะรู้ธรรมะเมื่อได้ฟังคำวิสัชณาจากพระองค์แล้วก็จะได้หลีกไปข้อนี้เป็นการเชีให้เห็นถึงความเข้าใจในยะแห่งพระพุทธคุณของท่านพัทราวุฒามานกได้เป็นอย่างดีแม้จะมีการจาแนกแสดงออกไป ถึงคุณสมบัติของพระพุทธเจ้าในหลายลักษณะด้วยกันก็ตามแต่ในชั้นของการศึกษาและปฏิบัติแล้วบุคคลสามารถที่จะสรุปคุณสมบัติเหล่านั้นเอาไว้เป็นกลุ่มๆ ก, กลุ่มแรกก็คือความเป็นผู้ไม่มีอะไรความเป็นผู้คงที่ความไม่หวัดหวันหรือไม่หวั่นไหวในอารมณ์ทั้งหลายนั้น เป็นคุณสมบัติที่เป็นผลหรือนิโรธสัจจะซึ่งมีแก่พระพุทธเจ้าและพระหันทั้งหลายประการที่สองก็คือการละตัณหาได้หมดสิ้นแล้วการข้ามโอเคได้แล้วนั้นถ้าพูดถึงเชิงผลก็คงเป็นนิโรธสัจจะแต่พูดถึงตัวตัณหาและโอเคที่ลงละได้ก็หมายถึงทรงละสมุทยัยสัจได ข้อที่ว่ามีปัญญานั้นในเชิงเหตุก็หมายถึงปัญญาเครื่องศรัสรูที่เป็นความรู้ระดับยานซึ่งเกิดผุดขึ้นภายในพระไทัยของพระพุทธเจ้าเป็นเหตุได้รู้อริยสัจสี่ตามความเป็นจริงด้วยยานทั้งสมอย่างที่เคยกล่าวมาแล้วแต่ในส่วนที่เป็นผลเป็นการแสดงให้เห็นถึงพระปัญญาที่สว่างสวยอยู่ตลอดเวลาของพระพุทมีพระภาคเจ้า ไม่ว่าจะเกิดปัญหาอะไรขึ้นมาก็ตามเพราะปัญญาที่ดำรงอยู่อย่างมั่นคงคงที่ไม่มีความเปลี่ยนแปลงก็่อให้เกิดผลในลักษณะดังกล่าวแล้วคือความไม่อะไรความไม่หวั่นไหวในอารมณ์ทั้งหลายแล้วก็กลายเป็นคูของที่เรื่องทั้งหมดนั้นจึงเป็นเรื่องของพระพุทธคุณซึ่งเน้นไปในส่วนของพระบริสุทธิคุณและพระปัญญาคุณ เป็นประการสำคัญในชั้น้องความสมบูรณ์เต็มที่นั้นแต่ละอย่างก็เป็นเหตุเป็นผลของกันแะรกันตัวการข้อใหญ่ก็อยู่ที่คุณนสุปาทข้อสุดท้ายคือที่ฉันใช้คำว่ามีปัญญาเมื่อปัญญาบังเกิดขึ้นแล้วก็จะทำหน้าที่กระจัดสิ่งที่เรียวกว่าตันหาก็ดีโอคะก็ดีออกไปจากจิตใจต่อจากนั้นจิตใจพระทัยของพระพุทธเจ้า ก็กลายเป็นผู้ไม่มีความอะไรเป็นผู้ไม่หวั่นไหวเป็นผู้คงที่ดางที่ต่านกล่าวไว้แต่พอมาถึงช่วงสุดท้ายของคำกล่าวเป็นการเชื่เห็นถึงความทราบชัดในพระกรุณาคุณของพระพุทธเจ้าเพราะเมื่อมือคนมาเฝ้ากราบทูลถามปัญหาต่อพระพุทธองค์พระองค์ย่อมมีพระมหากรุณาจะแก้ไข จะเลยอัตถาอธิบายเรื่องราวเหล่านั้นให้เกิดความแจ่มแจ้งเมื่อคนเหล่านั้นได้เกิดความรู้ความแจ่มแจ้งแล้วก็จะจากไปโดยความหมายในทางที่ลึกซึ้งจริงๆก็หมายความว่าจากโลกนี้ไปหรือจากอานาจของกิเลสอาสะวะทั้งหลายไปนั่นเองคุณสมบัติเหล่านี้แต่และขั้นตอนนั้นบุคคลสามารถประพฤติปฏิบัติให้ สัมผัสผลตามรอยบาทของพระพุทธเจ้าได้ในชั้นของกรรมฐานจึงเป็นการเจริญอุทธกุลหรือพุทธานุสติประการหนึน่แต่ในชั้นของการน้อมนำมาประพฤติปฏิบัติก็จะเห็นได้ว่าความเป็นผู้ไม่อะไรนั้นเป็นผลที่เกิดขึ้นมาจากเหตุเพราะตัวความอะไรเองก็เป็นผลที่เกิดขึ้นมาจากเหตุ คนนี้ลองสังเกตว่าความอะไรจะเกิดขึ้นในวัตถุทั้งหลายตัวเมื่อกล่าวโดยสรุปก็คือสิ่งที่เห็นด้วยตาได้ยินด้วยหูสูดดมด้วยจมกูกคลิมด้วยดินแด้ถูกต้องด้วยกายนั่นเองแต่แท้ที่จริงสิ่งเหล่านั้นเป็นอยู่ตั้งอยู่โดยธรรมชาติธรรมดาของมันเกิดขึ้นมาด้วยเหตุปัจจัยเข้าสู่ความเปลี่ยนแปลงแปรแปลุปนและในที่สุดก็แตกสลายไป แต่ว่อาจจะเป็นที่ตั้งของความอะไรได้หากว่าใจของบุคคลไปกําหนดหมายในสิ่งเหล่านั้นว่าเป็นของเราหรือว่าเป็นเราหรือว่าเป็นตัวเป็นตนของเราอย่างใดอย่างหนึ่งและความอะไรเมื่อสิ่งเหล่านั้นพัดพากจากไปก็จะบังเกิดขึ้นแม้แต่สิ่งเหล่านั้นเปลี่ยนแปลงแปรปรวนไปเพืนตัวการใหญ่ในชั้นของชีวิตประจําวันที่พระเจ้าทรงสแสดง ให้บุคคลพยายามลดละการกำหนดหมายอารมณ์คืออย่าไปกำหนดหมายอารมณ์ในแนวที่น่าคร่น่าปราถนาน่าพอใจมากเกินไปเราทรงใช้คำว่าสุภาสัญญาหรือสุภานิมิตคือถ้าใจไปกำหนดในแนวนั้นภาพรูปสวยเสียงไพเราะกลิน่นหอมรสอร่อยสัมผัสน่าจะต้องเป็นต้นพอไปกำหนดข้าวในขณะที่ ใจยังใคร่ยังปรารถนาต่อวัตถุนั้นอยู่ก็จะมีความกระสันหาต้องการอยากได้จนเกิดความเร่าร้อนขึ้นมาภายในใจแต่ในที่สุดก็จะมีการสแสวงหาให้ได้มาทึ้งสิ่งเหล่านั้นเมื่อได้มาแล้วจิตใจก็จะผูกพันอยู่ด้วยความอะไรในสิ่งนั้นพอสิ่งนั้นแป ร, รเปลี่ยนปไปก็จะเกิดความโศกความร่ำไรรำพันเป็นตน้น แต่บางครั้งบางคราวจนถึงกับนำชีวิตเข้าไปเสี่ยงต่อสิ่งที่ตนกำหนดหมายว่าเป็นของเราและเป็นเราดังนั้นถ้าหากว่าบุคคลในรดละความกำหนดหมายตรงไปด้วยอานาจของกิเลสอาการอะไรภายในใจก็จะน้อยลงหรือไม่อย่างนั้นก็ยอมรับถึงสภาพความจริงที่มีอยู่เป็นอยู่โดยธรรมดาของสิ่งนั้นๆเพราะบรรดาสิ่งทั้งหลายเมื่อเกิดขึ้น และจะมีความแปรปรวนเปลี่ยนแปลงไปและในที่สุดก็แตกสลายไปในขณะที่เกิดขึ้นก็ยอมรับถึงความเกิดขึ้นในขณะที่แปรปรวนเปลี่ยนแปลงก็ยอมรับว่ามันกาลังแปรปรวนเปลี่ยนแปลงซึ่งเป็นธรรมดาเตรียมกายเตรียมใจพร้อมที่จะยอมรับความแตกดับความพรากจากความสูญเสียความแตกสลายทั้งของสัตว์ทั้งของบุคคลที่ใจไปกาหนดไว้ว่าเป็นของตน หรือแม้แต่ของตนเองความอะไรภายในใจก็จะบาบางลงไปได้ทางวิธีการทั้งหลายที่ทรงแสดงไว้โดยวิธีนั้นๆอาจจะทรงสอนในแนวของละการละเหตุแห่งความอะไรหรืออาจจะทรงสอนให้กาหนดรู้ความจริงของสิ่งที่ใจกําหนดว่าเป็นของเราอันเป็นที่ตั้งแห่งความอะไรหรือว่าการปฏิบัติเพื่อขจัดต้นเหตุของความอะไรก็ตาม มีเป้าหมายอย่างเดียวกันคือจะถ่ายถอนใจของบุคคลออกจากอะไรอะไรบางครั้งก็ส่งเน้นไปตรงๆเลยว่าได้แก่กรมคุณทั้งห้าเป็นที่ตั้งแห่งความอาลัยเป็นเหตุเกิดของความอาลัยแต่ว่าตัวเหตุใจจริงๆนั้นอยู่ที่กิเลสเป็นเหตุให้เกิดอาลัยได้กระจายไปกำหนดหมายด้วยความใคร่ดังที่กล่าวแล้ว การเรียนรู้การหาความเข้าใจในเรื่องนี้บางครั้งจึงทรงสอนในชั้นของการขัดเกลาใจเพื่อลดละความโศกโดยความทุกข์โดยเฉพาะพวกป ก, กินกักทุกข์ที่จอเข้ามาเพราะวันเพราะว่าในชีวิตของบุคคล น, นั้นจะเห็นว่าความสับสนทางใจจะเกี่ยวข้องอยู่กับความอะไรนั่นเป็นอันมากแต่ถ้าใจมีการกำหนดหมายน้อยลงความอะไรก็จะน้อยลง เมื่อความอะไรน้อยลงความสุขก็จะบังเกิดขึ้นมากกว่าที่คนปกติทั่วไปเขามีเขาเป็นกันในช่วงต่อไปก็แสดงถึงเหตุที่ให้บุคคลตัดความอะไรก็คือตัณหาในอารมณ์ทั้งหลายที่ตัณฑ์ใช้คำว่ารู้เจ้าทรงละตัณหาได้แล้วซึ่งก็หมายความว่าตัณหานั้นเป็นตัวเหตุใหญ่ที่ก่อให้เกิดความอะไร ถ้าจะหยุดตานหาในอารมณ์ใดเสียไ ด, ได้ความอะไรในรในอารมณ์นั้นก็สงบระงับไปด้วยคราวนี้เพิงสังเกตว่าในบางโอกาสที่บุคคลไปกําหนดหมายวัตถุสิ่งของอย่างใดอย่างหนึ่งว่าเป็นของเราถ้าสิ่งเหล่านั้นเปลี่ยนแปลงแปรปลุนไปในขณะใดขณะหนึ่งซึ่งใจยังกําหนดอยู่ว่าเป็นของเราความโสกความรับรายรำพันความทุกข์ความเสียใจยความคลับแค้นใจก็จะบงังเกิดขึ้น แต่ถ้าโอกาสหนึ่งจใจเกิดผ่อนคลายความกำหนดหมายในลักษณะนั้นตรงแล้วบริจาคเสียสละไปแทนที่จะเป็นที่ตั้งแห่งความอาลายัยกลับเป็นที่ตั้งแห่งความสุขสมานัตเช่นว่าบริจาควัตถุสิ่งของกันเป็นที่รักเพื่อการกุศลหรือให้แก่คนเป็นที่เคารพรักของเราเป็นตน้นซึ่งก็หมายความว่าใจามีความรู้สึกต่อวัตถุนั้นในแง่ของ ความเสียสละการบูชาความกตัญญูกตวเวทีเป็นต้นตามสมควรแก่กรณีจิตใจก็ประกอบด้วยกุศลธรรมเมื่อประกอบด้วยกุศลธรรมความอะไรในสิ่งเหล่านั้นก็ไม่มีครนี้พึงดูตัวอย่างง่ายๆเช่นการบริจาคทานการจาคทานบางครั้งก็บาบริจาคมากได้เกินแล้วของก็ประณีดด้วยแต่ว่า ใจในขณะนั้นประกอบด้วยจาคะคเจตนาคือเจตนาี่จะเสียสละมีศรัทธามีความเพียรเป็นฐานสนับสนุนใจก่อนที่จะให้ก็มีความปราบปลื้มใจในขณะให้ก็มีความปีติโสมนัสให้ไปแล้วระลึกถึงที่ไหนก็มีแต่ความเออบิ่มขึ้นภายในใจแต่ถามตัววัตถุก็เป็นวัตถุเดียวกันแต่ตัวการที่สร้างความเปลี่ยนแปลงก็คือการกาหนดหมายวัตถุเหล่านั้น ในฉันแรกกำหนดหมายด้วยอำนาจของกิเลสก็เป็นที่ตั้งแห่งความทุกข์ในช่วงที่สองกำหนดหมายด้วยธรรมะก็เป็นที่ตั้งแห่งความสุขท า, ทางทั้งที่วัตถุเป็นอย่างเดียวกันดังนั้นตัณหาจึงเป็นเหตุให้เกิดกำหนดหมายกำหนดหมายว่าเป็นของเราด้วยอำนาจของกรรมตัณหาซึ่งจะเห็นได้ว่าบางครั้งแม้แต่สิ่งนั้นยังไม่ได้เป็นของเราจริงๆ แต่ใจไปกำหนดหมายไว้แล้วว่าเป็นของเราตัวเราอยากได้สิ่งนั้นแล้วใครมาเอาไปหรือมาซื้อหาไปเราจะเกิดความทุกโธมันัดความเสียใจจนถึงกับผูกอาคตาิพยาบาทในบุคคลเหล่านั้นกรณี้ก็อาจจะดูตัวอย่างได้ในกรณีของการไปซื้อของหรือการไปประมูลของเป็นต้นแต่จริงของนั้นยังไม่ใจะเป็นของเรา ใจเราเกิดกำหนดหมายว่าจะต้องประมูลสิ่งนี้เพื่อเป็นของเราให้ได้แล้วก็มีคนใดคนหนึ่งเกิดมาประมูลชนะไปเราจะรู้สึกครับแค้นขัดเคืองโกรธเจ้าโศกจนถึงก็ น, นอนไม่หลับไปก็มีทำไมจึงเป็นเช่นนั้นเพราะว่าตันหาได้ซึ่งมีอยู่ภายในใจนั้นไปเกิดกําหนดเป็นการกําหนดล่วงหน้าเป็นการกําหนดลุ่มล้มแรงๆกําหนดในสิ่งที่ยังไม่เป็น ของเราได้ทำไปปัญใจ ข, ของบุคคลจึงต้องโศกในเรื่องเหล่านี้ยิ่งในวัตถุเหล่านั้นถ้าหากว่าไปกําหนดด้วยความยึดมั่นถือมั่นเอาไว้ว่าเป็นของเราของเราของเราเมื่อเปลี่ยนแปลงแปรปวนไปก็เกิดความโศกพระเจ้าไม่มีตันหาเป็นเหตุแต่งความโศกพระเจ้าจึงไม่ประสบไม่มีความโศกไม่ไม่หวั่นไหวไปในอารมณ์ต่างๆอย่างที่ท่านกล่าวไว้ในช่วงที่สองช่วงที่ส ลักษณะของความหวั่นไหวก็เป็นเช่นเดียวกันเพราะว่าจิตกิเลสเป็นเหตุให้หวั่นไหวนั้นมีอยู่ใจของบุคคลจึงหวั่นไหวคราวนี้ลองสังเกตว่าความหวั่นไหวที่เกิดขึ้นนั้นปัญหาใหญ่ต้องอยู่ที่จิตใจของบุคคลเป็นประการสาคัญเป็นบุคคลทาความผิดเอาไว้มีเจ้าหนะ้าที่ตำรวจเดินมาใจของบุคคลจะหวั่นไหว แต่ถ้าหากว่าใจไม่มีปัญหาไม่ได้ทําความผิดไว้มีเจ้าหน้าที่ตํารวจมารู้สึกอบอุ่นรู้สึกมั่นใจในตัวเองมากขึ้นว่าถ้าหากว่าโจรผู้ร้ายมีเจ้าหน้าที่อยู่ด้วยคงจะป้องกันอันตรายให้ได้นั้นตัวการใหญ่จึงอยู่ตรงนี้พุทธเจ้าจึงมาเน้นที่ตัวใจเป็นเรื่องเป็นเรื่องใหญ่และในช่วงต่อไปท่านจึงแสดงอีกอย่างหนึ่งว่าพระทัยของพุทธเจ้านั้นข้ามโอขะได้แล้ว ที่จริงคำว่าข้ามโอคากะละตัณหาเป็นการพูดถึงเรื่องเดียวกันเพียงแต่เป็นโมหานในการพูดการแสดงแต่นั้นเองเพโอคกัตันหาก็คือกลุ่มของกิเลสเพียงแต่เรียกชื่อแตกต่างการออกไปโอคานั้นแบ่งเป็นสตัณหานั้นแบ่งเป็นสามแต่โดยสรุปก็คือพวกเดียวกันใน แ, แก่การโมคะโอคะคือกามละ แ, แก่ความใคร่ในอารมณ์ทั้งหลาย ซึ่งก็เป็นลักษณะของการมาตัณหานั่นเองพอโคะโคะคือพบได้แก่ความมีความเป็นโดยใจกำหนดหมายในฐานะความมีความเป็นของตนหรือคิดว่าตนเป็นอย่างนั้นตนเป็นอย่างนี้ซึ่งจะเห็นได้ว่าแม้ในความเป็นใจของบุคคลจะหวั่นไหวจะมีความอานาลัยอยู่ในความเป็นต่างๆจะในกรณีที่ตนเป็นอยู่ในฐานะหนึ่ง และปรารถนาความเป็นอีกฐานะหนึ่งเมื่อไม่ได้เป็นก็จะเกิดความหวั่นไหวขึ้นภายในใจทีนี้ถ้าหากว่าต้องลดลงไปก็ลดความเป็นลงไปจนลดชั้นเงินเดือนลงไปตำแหน่งเล็กลงก็จะเกิดอะไรในความเป็นเหล่านั้นแต่ทีนี้ถ้าหากว่าบุคคลเข้าใจถึงความจริงว่าความเป็นทั้งหลายนั้นที่จริงเป็นเรื่องสมมติเรา ก็พร้อมที่จะเลิกแสดงเวลาปิดฉากเวทีเวลาละครในตอนนั้นปิดฉากลงก็พร้อมที่จะเลิกบทตอนนั้นจิตใจของบุคคลก็ไม่หว่นไปในกรณีนี้ก็เกิดขึ้นมาจากการใช้ปัญญาพินิ์พิจารณายอมรับความจริงก็สามารถที่จะแก้ความเห็นเหล่านี้ลงไปได้ในชั้นใดชั้นหนึ่งตอนกลางเป็นเรื่องทิฏโขขโขขคือทิฏฐิได้แก่ความหวั่นไหวด้วยอำนาจทิฏฐิคือความเห็น กรณีลองสังเกตว่าจนบุคคลปักใจขวังใจอยู่ในเรื่องใดเรื่องหนึ่งแล้วมีคําพูดอะไรซึ่งกระทบต่อความรู้สึกนึกคิดของตนในแนวที่จะเป็นการบั่นทอนตัดรอนความเห็นของตนจิต ใ, ใจของบุคคลก็จะเกิดความวานไวยความวานไวยในลักษณะ น, น, นี้อาจจะออกมาในรูปโกรธแต่ในส่วนหนึ่งก็เกิดความไม่มั่นใจ เพาสิ่งที่ไปยึดไปถืออยู่นั้นมีความถูกต้องหรือไม่อะไรคือความจริงที่แท้จริงเป็นต้นดันการบางครั้งบางคราวในเรื่องเหล่านี้ที่ก่อให้เกิดเป็นการทะเลาะวิวาดกันอย่างที่พระเจ้าทรงสรุปรว ม, รวมๆเอาไว้ว่าโลกคือชาวโลกนั้นจะทะเลาะกันเพราะกามเป็นเหตุมีกามเป็นข้าวมูลมีกามเป็นเหตุได้เกิดขึ้นคือทะเลาะกันไปทะเลาะกันมาสรุปแล้วว่าเรื่องกาบทั้งนั้น แม้จะเป็นสงครามระหว่างใข่ต่อใข่ระหว่างประเทศต่อประเทศระหว่างรัฐต่อรัฐก็เป็นเรื่องของการเป็นต้นเหตุการเป็นข้าวมูลการเป็นตัวก่อให้บังเกิดขึ้นถ้าใจของบุคคลปราศจากกิเลสกรรมแล้วแม้วัตถุกรรมเหล่านั้นถ้าวัตถุกรรมทั้งหลายจะมีอยู่แต่การต่อสู้การปราดประหารกันเพื่อยื้อแย่งวัตถุกรรมก็จะไม่เกิดขึ้น แต่ส่วนนักบวชนั้นจะหวั่นไหวไปด้วยทิฏฐิือความเห็นตามปกติแล้วมักจะมีการปักใจฝังใจอยู่ในเรื่องนั้นๆใครกระทบอะไรในความเห็นที่ท่านยึดมั่นถือมั่นอยู่ก็จะออกมาในรูปของโทสะบ้างออกมาในรูปของความหวั่นไหวภายในใจคือเกิดลังเลไม่แน่ใจอะไรจริงอะไรไม่จริงความสับสนก็จะเกิดขึ้นภายในใจดังนั้น สิ่งเหล่านี้จึงถือว่าเป็นโอฆะคือเป็นเหมือนกับค่วงน้ำที่พัดผันจิตใจของบุคคลให้ไหลไปพระพุทธเจ้านั้นเข้าถึงทิฏฐิสัมปันโนคือทรงสมบูรณ์ด้วยทิฏฐิอย่างแท้จริงจึงทรงไม่หวั่นไหวทั้งด้วยการทั้งด้วยพบทั้งด้วยทิฏฐิและไม่หวั่นไหวไปด้วยอำนาจของอวิชชาเพราะไรเพราะว่าสิ่งอะไรที่ควรรู้พระพุทธเจ้าได้รู้แล้ว เป็นความรู้ที่หยุดการสแสวงหาอีกต่อไปนั่นคือชั้นสมบูรณ์แต่บนเส้นทางของการประพฤติปฏิบัติั้นบุคคลก็จะสังเกตเห็นได้ว่าในกรณีของกามโอขะโอขะคือกามแต่บุคคลพยายามควบคุมทิศทางไม่ให้เกิดความสับสนมากเกินไปทำนองบุคคลขับรถหรือนั่งเรือไปแต่ว่าขับรถไห้ดี บังคับบัญชาเรือให้ดีก็จะเดินไปได้อย่างมั่นคงจิตใจก็จะไม่หวั่นไหวมากนะในด้านความมีความเป็นถ้าหากว่าทำใจยอมรับความมีความเป็นก็เป็นเพียงสมมติเอาเป็นสมมติสัจจะบาี่จริงแล้วก็สมมติซ้อนสมมติทับกันมาเป็นแถวให้ลองสังเกตดูเมื่อก่อนเราก็ไม่มีอะไร เป็นแต่เพียงรูปธรรมกระบวนการทางรูปธรรมนามธรรม ท, ที่มาเกาะกลุ่มกันข้าวเป็นจุดเล็กๆแต่นั้นเองแลวในที่สุดก็โตขึ้นโตขึ้นอยู่ในท้องก็เรียกว่าเด็กในคันหรือว่าทารกในคันพอเกิดออกมาก็เรียกว่าเด็กก็เด็กโตแล้วก็เป็นผู้ใหญ่ขึ้นมาแล้วก็สมมติให้เป็นนั่นเป็นนี้ก็สมมติกันไปเรื่รอยๆแต่มองย้อนกลับไปสู่อดีต สิ่งที่สมมุติแล้วยกเลิกความสมมุติเหล่านั้นไปเมื่อเราเลิกสมมุติเหล่านั้นเราก็ไม่หวั่นไหวเพราะสิ่งที่เราเคยเป็นแต่เราปล่อยวางแล้วเป็นยกตัวอย่างว่าในสมัยที่เป็นเด็กเราก็ถูกสมมุติให้เป็นเด็กเวลาผู้หลักผู้ใหญ่พูดจากระทบถึงเด็กไม่เรียบร้อยไม่สกภาพเกกะเกเร เรารู้สึกเดือดร้อนแต่ปัจจุบันนั้นใครพูดเรื่องเด็กไม่สุภาพไม่เรียบร้อยเกเรเราไม่เดือดร้อนเพราะเราถอนสมมุติจากความเป็นเด็กได้แล้วแต่ทีนี้สมมติออกมาเป็นพระมาเป็นข้าราชการมาเป็นทหารมาเป็นตำรวจแล้วก็ติดในสมมติแ่วนั้นพอเขาพูดถึงในแนวบวกเราก็ชื่นชมยินดีปีติสมนัตกับการยกจองเหล่านั้นทั้งๆที่บางทีเราไม่ได้ทำความดีแถวนั้นได้ทาไป แต่ว่าเมื่อมีการพูดในลักษณะตำหนิตีเตียนค่อนแค่หรือประการต่างๆได้จะเกิดวันไวทั้งๆที่บางทีเราไม่ได้ทำไดยทำไปตอนนั้นลักษณะเหล่านี้มันอยู่ที่การติดสมมตุติถ้าบุคคลไม่ติดในความเป็นมากเกินไปยอมรับในแง่ของเหตุผลก็สามารถที่จะหาความสงบให้บังเกิดขึ้นภายในจิตใจได้ในด้านทิฏฐิ ก็จะมีลักษณะเช่นเดียวกันบุคคลก็จะพบว่าในแง่ของความเห็นนั้นจใครจะเห็นมายังไงก็ตามก็พูดมาเราก็รับฟังไว้ไม่จำเป็นจะต้องไปทุ่มเทียงอะไรกันแต่การจะนำมาประพฤติปฏิบัติหรือไม่นั้นจะต้องมีกฎเกณฑ์มีหลักในการพิจารณาเทียบเคียงเพราะนก็สามารถฟังความเห็นอะไรของใครก็ได้อาจจะตรงกับความเห็นของเราได้อาจจะไม่ตรงก็ได้ เดี๋จะคล้ายๆกันก็ได้แต่ก็พร้อมที่จะฟังความเห็นเหล่านั้นโดยจิตใจที่ไม่เกิดต่อต้านไม่เกิดปฏิฆะแต่ประการใดเป็นไว้แต่อยู่ในวิสัยที่จะพูดจาชี้แจงให้ท่านเกิดความเข้าใจโดยมีกฎปีเกณฑ์มีหลักไม่ตานก็พูดจาไปแต่ถ้าเห็นว่าพูดไปก็ไม่ได้ประโยชน์ก็อย่าให้จิตใจเดือดร้อนเพราะ ความเห็นเหล่านั้นอย่างที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงแก่พระโมคคัลลานะว่าดูกอ่อนโมคคัลลานะเธอพึงทำความศึกษา ว, ว่าเราจักไม่พูดเรื่องที่จะต้องเถียงกันเพราะถพูดเรื่องที่จะต้องเถียงกันแล้วก็จะเกิดความไม่สํารวมมันเกิดความไม่สํารวมนนใจไม่สงบไม่สงบประกอบฟุ้งซ่า น, นฟุ้งซ่านแล้วมันจะห่างจากสมาธิ ในที่สุดแทนที่จะใกล้นิพพานมากลับไปใกล้นรกเข้าไปดังนั้นปัญหาอะไรที่เกี่ยวข้องกับทิฏฐิแต่บุคคลเอาปัญญาเข้าไปจับเอาไว้บ้างก็จะยุติการทะเลาะการวิวาทการทุ่มเถียงกันในเรื่องเหล่านี้ได้แต่ปัญญาที่เกิดขึ้นก็ขาจาวิชาให้เจจางบาบางลงไปในที่สุดก็กลายเป็นผู้คงที่ ตามคุณสมบัติที่ท่านได้ยกย่องพระพุทธเจ้าคงที่นั้นอย่างพระพุทธเจ้าคงที่ในลักษณะปกเขาศิลาแท่งซึบคือไม่หวั่นไหวโดยลมแดดลมฝนเป็นต้นที่พัดผันมาจากทิศต่างๆจิตใจของบุคคลก็บุคคลผู้ปฏิบัติตามรอยบาทของพระผู้มีพระภาคเจ้าต่สามารถประพฤติปฏิบัตินในยะที่กล่าวแล้วได้ก็จะกลายเป็นผู้คงที่คือไม่ขึ้นขึ้ น, นลงลง ตามอารมณ์ของภายนอกดึงข้อนี้จะเห็นได้ว่าบางครั้งอารมณ์เราขึ้นลงเพราะใจเราปรุงเอาคือความดำริความคิดของเราปรุงเอาที่ท่านยกย่องพระพุทธเจ้าในข้อต่อไปว่าไม่มีความดำริไอ้คำว่าไม่มีความดำริในความหมายของท่านนั้นหมายถึงว่าไม่มีความดำริด้วยอํานาจกามด้วยอํานาจความพยาบาทด้วยอํานาจวิหิงสา เพราะเรื่องของความดำริพระพุทธเจ้านั้นมีสมารสังกปะที่สมบูรณ์ก็ต้องดำริอยู่เป็นธรรมดาพระใจของบุคคลจะต้องมีเจตสิกปรุงแต่ในความหมายของท่านท่านหมายถึงว่าพระพุทธเจ้าไม่มีความดำริที่เป็นมิจฉาสังกปะคือความดำริในทางที่ผิดเมื่อใจไม่ดำริคือมีปัญญารู้เท่าทัานอยู่เวลากระทบกับอารมณ์อะไรก็จะเป็นไปยอย่างที่ทรงแสดงเอาไว้ว่า แท้แต่จริงแล้วโล ก, กธรรมคือลาบเสื่อมญาติลาบยศเสื่อมยศนินทาทุกนินทาสรรเสริญสุขทุกนั้นมันเกิดขึ้นแก่นคนทั้งหลายมันเหมือนกันแต่ข้อที่แตกต่างกันนั้นอยู่ที่ใจของบุคคลที่เกี่ยวข้องกับโล ก, กธรรมพระริญญาเวลาสิ่งเหล่านั้นเกิดขึ้นทั้งด้านน่าปรารถนาหรือไม่น่าปรารถนาก็ตามท่า้ก็รู้ว่าสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นแล้วแก่ท่าน แต่แท้จริงสิ่งเหล่านี้เป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนไปเป็นธรรมดาเพราะมันมเกิดขึ้นมันก็เกิดขึ้นเวลาเปลี่ยนแปลงท่านก็รู้มาตั้งนานแล้วว่ามันจะเปลี่ยนแปลงและแตกดับก็รู้ตั้งนานว่ามันจะแตกดับและจากความรู้เหล่านี้จะเห็นว่าจิตใจของบุคคลจะคงที่จะไม่หวั่นไหวและจะไม่อะไรอุปมาเหมือนอะไรอุปมาเหมือนของที่เรายืมเข้ามาบอกพรุ่งนี้จะส่ง ยืมก็มาวันหนึ่งรุ่งเช้าส่งก็ไม่อารยไม่หวั่นไหวไปตามสิ่งที่ต้องจากไปแม้เราจะชอบอยังไงก็ตามเราก็รู้มาตั้งนานแล้วว่าของก็ยืมพรุ่งนี้จะต้องส่งเพราะถ้าจะรีบหาประโยชน์ก็หาประโยชน์ในช่วงที่ยังไม่ได้ส่งพอส่งคืนมันก็ต้องส่งคืนเข้าไปแต่นั้นคุณภาพจิตในลักษณะดังกล่าวนั้นไม่จะเรื่องของความไม่อารยความไม่ห ว, วัน่นไหว ความไม่หวั่นไหวในอารมณ์ทั้งหลายตลอดถึงความไม่ดำ่ริก็ตามในระดับหนึ่งชั้นหนึ่งเพียงแต่บุคคลอาศัยธรรมะคือปัญญาในข้อสุดท้ายที่ท่านแสดงว่าพระเจ้าเป็นผู้มีปัญญาเป็นเครื่องกำกับต่อความคิดจิตใจต่ออารมณ์ที่ตนเข้าไปเกี่ยวข้อง ก็สามารถหาความสงบความเยือกเย็นให้บังเกิดขึ้นภายในจิตใจได้แม้ในชีวิตประจำวันของตนเองไม่ต้องกล่าวถึงการนําไปประพฤติปฏิบัติในชั้นของการสร้างความสงบตามระบบของสมถกรรมฐานและอิปัตนากรรมฐานเพราะถ้ะะาปฏิบัติได้ในชั้นนั้นปัญญาจะเพิ่มปูนมากยิ่งขึ้นซึ่งก็หมายความว่าตันหากิเลสประเภทที่ใดกว่าตันหาก็ดีโอคาก็ดีก็จะลดลง แต่สภาพของจิตก็จะไม่มีความอาลัยไม่มีความหวั่นไหวมีความคงที่มากยิ่งขึ้นผลคือความสงบเย็นอันเป็นที่อันเป็นที่พึงปรารถนาก็จะบังเกิดขึ้นภายในจิตใจของบุคคลเหล่า น, นั้นโดยดำดับต่อแต่นี้ไปเราขอให้ตั้งใจทำความสงบส่อต่อไป